ขอความสุขความเจริญจงมีแด่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมสู่สันติเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ซึ่งอัตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม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 ที่สำคัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จยังเป็นองค์ประธานของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งมีมูลนิธิตั้งอยู่ที่ศาลากา ร, ปรเปรียนวัดสเกต ร, ราชวรมิาวิหารต่อมาก็ได้มาสร้างสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นที่อำเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีทำหน้าที่ให้การเผยแพร่พระสัตธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและสาธุชนทั่วไปวันนี้จึงขอเชิญท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังโอวาทกล่าวปิดการอบรมพระกรรมฐานรุ่นปลายปีจากเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จซึ่งท่านได้กล่าวถึงว่าผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้น ต้องมีกิจใจที่มั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อสภาพความยากลำบากความทุกข์ร้อนต่ออารมณ์ที่ทั้งมีทั้งชอบใจและไม่ชอบใจต่างๆได้ซึ่งก็เหมาะที่สาธุชนจะได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกแนวทางหนึ่งจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟัง โอวาทธรรมคำสอนของเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โดยพร้อมกันนบบัดนี้ทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจในจุดของความดีหรือบุญกุศลเพื่อที่เราจะได้รับผล แห่งบุญกุศลอันเกิดจากกิตที่เป็นกุศลนั้นจะเป็นการข้างหน้ายาวนานเท่าไรใกล้ไกลก็แล้วแต่ความตั้งใจของเราท่านที่มาปฏิบัติธรรมจึงต้องตั้งใจให้แน่วแน่ อย่างที่เคยกล่าวทุกปีว่าอย่าให้วอกแวกอย่าให้ฟุ้งซ่านตั้งใจว่าในช่วงระยะเวลาที่มาปฏิบัติธรรมนี้อย่างน้อยก็สามารถที่จะทำกิจให้เป็นสมาธิได้จะได้สมาธิสูงยิ่งขึ้นไป แนวแน่ยิ่งขึ้นไปก็เป็นเรื่องดีแต่อย่างน้อยก็ให้ได้อย่างนั้นเพื่อที่จะได้สิ่งที่ส่ะแสแหวงหากันนั่นก็คือบุญหรือความดีดังที่กล่าวแล้วและบุญหรือความดีที่กล่าวนี้ก็จะเป็นไปเพื่อ สิ่งที่ประสงค์สูงสุดซึ่งมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดให้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าแท้ที่จริงนั้นเราต้องการอะไรจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งแต่ว่าพูดง่ายทำความเข้าใจยาก เป็นจุดที่สูงขึ้นไปจุดที่สูงขึ้นไปนี่แหละเป็นจุดที่สำคัญแต่ว่าจุดที่สูงขึ้นไปนั้นจะสำเร็จได้ต้องอาศัยบุญกุศลที่เราเริ่มสร้าง โบราณจึงพูดตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ว่าสร้างบารมีจุดนั้นก็ตรงกับคำที่ติดไว้ที่เสานี่ว่าทุกคนมาที่นี่เพื่อกำจัดกิเลสนั่นแหละจุดสูงสุดเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า บาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีไม่ ม, บ ม, ม, บมีบุญไม่มีบาปหมดสิ้นพระพุทธองจึงตรัดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีที่ว่าไม่มีนี้คือไม่มีในผู้ที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่บาปบุญอย่างธรรมดาบาปบุญอย่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยมี ไปไปถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องไปกังวลแล้วไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะมีกรรมมาตามทันจะมีบาปอะไรเกิดขึ้นและไม่ต้องไปหวังอะไรอีกแล้วหมดแล้วที่ว่าไม่หวังนี่เป็นไปเองจุดนั้นแหละเป็นจุดสาคัญคือกรรมจัดกิเลสที่ว่ามีสิ่งมาบาังนั่น ทั้งๆที่เราพูดอยู่เสมอๆคำสวดก็มีอยู่เสมอๆแต่มีอะไรมาบังอยู่หน่อยนึงให้เรามองไม่เห็นถ้าจะพูดตามแนวของกิเลสทิละได้อาจจะกล่าวว่าได้เป็นฝ่า้าอนุัยที่คอยกันไว้ ไม่ให้เห็นอย่างเราทั้งหลายไม่ว่าพระเนนไม่ว่าโยมทุกคนก็ต้องมีการขบฉันมีการทานพอร่างกายต้องการอาหารขึ้นมา ทุก็เกิดพอฉันพอทานอิ่มทุก็หายไปวับหนึ่งไม่นานน่ะอย่างคารวาดก็มื้อเช้าสมมติว่าแปดโมงหรือเจ็ดโมงพอไปเที่ยงหิวอีกแล้วต้องทานอีกแล้ว แต่พระพุทธเจ้าว่าที่หิวนั้นเป็นทุกข์นะพอได้ทานก็หายไปอีกความต้องการอาหารให้ร่างกายเท่านั้นแหะพระพุทธเจ้าก็จัดบอกว่านั่นแหละคือกิเลสแต่ว่าเป็นอย่างอ่อนอ่อนแล้วไม่รุนแรง เหมือนกับการชกการต่อยการด่าการว่ากันอ่อนๆ อ, อ, อ่อนลงไปมากแม้อ่อนลงไปอย่างนั้นก็จัดให้เห็นว่านั่นก็เป็นความทุกขนะ์นาแม้จะต้องการอาหารสําหรับที่จะฉันเข้าไปนะั่นก็เป็นความทุกข์เรามองเห็นยาก แต่พระพุทธเจ้าตัดบอกเราว่าแม้แต่หิวก็เป็นความทุกข์แม้แต่อยากจะปัดสาวะอุจจาระก็เป็นความทุกข์พูดแล้วก็มองเห็นยากโดยเป็นจริงแต่นั่นก็คือข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ ต้องการจะทานอาหารก็จัดบอกว่านั่นแหละทุกต้องการที่จะไปถ่ายปัสสาวะอุจจาระนั่นก็เป็นทุกนั่นก็คือความต้องการแต่ว่าไม่ใช่อย่างหยาบผู้ที่มาเสาะแสวงหาบุญมาถึงขั้นอย่างที่ทุกองค์มาทำกันอยู่นี่พ้นหยาบ แต่ว่าต้องมาเห็นจุดนี้อีกและทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรเราจึงจะต้องไม่ต้องมาหิวข้าวอีกไม่ต้องหิวข้าวไม่ต้องหิวน้ำไม่ต้องฉันกันละไม่ต้องทานกันละเลิกกันเลยชาตินี้ทำอย่างไงล่ะนี่แหละที่เรียกว่าการรจัดกิเลส อย่างสำคัญนั่นก็คือตัดไม่ให้มีการเกิดถ้ายังมีการเกิดมันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็หิวอีกเดี๋ยวก็ฉันอีกเดี๋ยวก็ถ่ายอีกถ่ายอีกก็ฉันอีกทานอีกทานอีกก็ถ่ายอีกฉันอีกก็เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธองค์จึงตัดว่านี่คือสังสารวัต เวียนวนวันหนึ่งก็เวียนอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัตทีให้เห็นเพื่อที่จะได้กําหนดให้ได้ว่าแม้แต่อย่างนี้นะก็เรียกว่าทุกข์เพราะยังต้องการอยู่และจะทํำยังไงไม่ให้แม้แต่ความต้องการอย่างนี้ไม่มีนั่นก็คือไม่เกิดสูงสุดเลย แล้วใครอะที่ไม่เกิดก็พระอาหารหันต์เล่านั้นที่ไม่เกิดพระอนาคามีก็เฉียบไปแล้วพระโสดาบันก็อย่างมากก็อีกเก็ดครั้งเกิดอีกเก็ดครั้งเมื่อตัดการเกิดได้เมื่อไรเมื่อนั่นแหละนั่นแหละก็ตรงตามที่เขียนไว้นี่วะเพื่อกำจัดกิเลส มาเห็นคร่าวแล้วเลยนึกว่าวันนี้ต้องพูดค้อ น, นี้ด้วยเพราะว่าเราเนี่เป็นบุญนักหนาแล้วที่มีบา ร, รมีที่เราได้สร้างไว้แต่ก่อนตอนชีวิตของเราให้มาอยู่ที่นี่ต้อนมาโดยเราไม่รู้ตัวแต่เป็นบา ร, รมีของเราต้อนเรามาต้อนมาต้อนมาจนมารวมอยู่ที่นี่ เสร็จแล้วเราก็มาส่อแสแหงหาสิ่งที่เรียกว่า บ, บุญกุศลเพื่ออะไรเพื่อไปสู่จุดสูงสุดที่เราไม่ต้องการนั่นคือต้องเป็นทุกข์หมดทุกข์กันทีเมื่อไม่เกิดแล้วก็เป็นแานว่างหมทสิ้นเมื่อยังเมื่อยังไม่ตายเราทำยังไง ท่านเป็นอย่างไรไม่จะทำอย่างไง <c oughs> เมื่อยังไม่ตายละ่ะอย่างพระอรันน์ท่านไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ได้ผ่านท่านไม่มีแล้วความต้องการท่านไม่มีแล้วความทุกข์อันนี้ท่านทำอย่างไรนั่นก็คือการกำหนดรู้เป็นปริยายยะธรรมเป็นผู้คำบาลี คือต้องกาหนดรู้ให้รู้ว่าออนี่มาอีกแล้วหน้าใหม่โผลมาแต่แท้ที่จริงหน้าเก่านั่นเองมาอีกแล้วอ๋อมาอีกแล้วไม่แปลกฉันไม่สนใจพ้นไปไม่ต้องทุกข์พระพุทธเจ้าพระอราหารันต์ฉนจึงฉันข้าว แต่ท่านไม่เด็ฉันด้วยความต้องการอย่างเราพวกเราพอหิวดอยละแม้ตาชักลายหูชักอื้อไข่ปางไม่ค่อยได้พอหิวเขาแล้วแต่พระพุทธเจ้าของเราพระอราหารันตพระเจ้าทั้งหลายพอร่างกายต้องการอาหารก็ทรงกำหนดรู้เป็นปริญญาญาธรรมอย่างที่พูดแบบธรรมดา ไม่ใช่พูดอย่างพระเปิดเจ้านะตัวอย่างธรรมดาว่าเอาไม้อีกแล้วหน้าใหม่แท้ที่จริงก็หน้าเก่าแนละ้วไม้อีกแล้วใครมาก็คือธรรมชาติที่มันเกิดหิวขึ้นมาเอาให้มันไม่มีก็ไม่เป็นไรมีเมื่อไรก็ให้มันของเราไม่มีไม่ได้ไม่มีต้องวิ่งไปหาหาในครัวไม่มีต้องไปที่ตลาด หาที่ตลาดไม่ได้ก็ต้องหาเรื่อยไปที่จนทีกระทั่งได้ ก, กินน่ะเหมือนกบะมดตัวเล็กๆที่มันวิ่งวิ่วิิงวงวงว่งตองกาอาหารพอเห็นแล้วตอดมัดเจอเขาแล้วที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องการและพอจะเข้าใจกันได้แต่ว่าจริงๆนั้นยาก ทีนี้เราจะทาอย่างไรเมื่อจุดนั้นเรายังไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราก็ทำอย่างที่ทำกันอยู่นี่แหละให้ห่างสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นบาปเป็นอกุศลไว้ระหว่างสิบห้าวันนี่ไม่ต้องไปด่ากับใครเว้นเส่ปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวัน บางทีต้องใช้เวลาสำหรับการไปด่าคนอื่นซะหลายวันด่าแล้วยังไม่พอวันนี้ไม่พอพรุ่งนี้ด่าอีกอย่างที่เขาด่ากันเนี่ยด่ากันอยู่เรื่อยเนี่ยไม่พอก็ด่ากันอยู่เรื่อ ย, อออ ย, เ, รอยเราพ้นมาได้ส5บ้าวันเรามาอยู่นี่ถึงแม้จะไม่บริสุทธิ์ร0อเเก็เอาเอ้อ เราไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงไปด่า ก, กับใครเรามันเงียบกันอยู่นี่แหละเวลาอาจารย์ท่านสอนท่านบรรยายติดอาจจะแวบไปบ้างเพราะเป็นปุถุชนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็มีส่วนได้จึงดีนักหนาแล้วเราต้องทำอย่างนี้แหละทำเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงจุด ที่จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้แต่หิวข้าวแล้วต้องการอาหารนั่นก็เป็นความทุกข์เมื่ออันนั้นเป็นความทุกข์ก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วต้องประหารกิเลสอีกข้าแหล่งสาคัญสาคัญให้หมดไปไม่ต้องเกิดอีก ดังนั้นการที่ทุกองค์ทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรมนี่ให้นึกว่าเรามาสู่แหล่งที่เราจะต้องการความดีสแสวงหาความดีให้รีบเร่งหยิบฉวยเพราะมีผู้ให้บุญอยู่ท่านเจ้าคุณภาวนาวิสุทธิคุณต้องการที่จะให้ทุกองค์ทุกท่านทุกคน ได้มีโอกาสได้รับบุญกุศลในนี้กลับไปอย่างที่กล่าวขยายไปว่าศีลสมาธิปัญญาเมื่อท่านได้ไปแล้วนั่นแหละจะเป็นบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ใช้ต่อไปในการข้างหน้าที่จะใช้ต่อไปในการข้างหน้าไปสู่จุดสูงสุดดังที่กล่าว ยังไม่ถึงก็ให้พยายามกันเข้าไว้และต้องนึกว่าจุดนั้นแหละเป็นจุดที่เราต้องการมากที่สุดเพราะแม้แต่เล็กน้อยอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังตัดบอกให้เรารู้ว่าอย่างนั้นก็เป็นทุกข์นะเราจึงต้องรีบเร่งสาะแสวงหา แล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นเราก็จะสามารถถึงได้ด้วยการกระทาของเราเองจึงขอนโมทนาสาธุ ก, การชื่นชมยินดีกับทุกทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสู่แหล่งที่จะให้ท่านทั้งหลายเสาะแสวงหาบุญคือสถาบันพุทธภาวพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย ที่พูดมาค่อนข้างจะยาวนานเกินเวลาแต่ก็พูดให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเรามาที่นี่เราได้อะไรและเพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นอย่างไรทัญนยคุณภาวนาวิสุทธิคุณท่านอุตสาสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อมุ่งหมายอะไรจึงได้พูดยาวมา กินเวลานา น, านพอสำควรแล้วนะในโอกาสนี้ขอพรคุณบสิรีรัตนใจบุญบรมีเดชอำนาจของบุรภาจารย์บรรพุลุษสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์สำคัญทั้งหลายทั้งในที่ใกล้และในที่ไกลได้โปรดมารวมเป็นอันเดียวกันพนรันดลมดาล ให้ท่านทั้งหลายปราศจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้ประสบสิ่งที่ประสงค์สมตามเจตจำนงและได้ถึงความร่มเย็นเป็นสุขในประธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตลอดนิดยติยการเทินนั่นก็เป็น โอวาทของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือหลวงพ่อประเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จท่านเป็นองค์ประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่ง ทำหน้าที่ในการเผยแพร่พระสัตธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในปัจจุบันนี้ให้การศึกษาอบรมแด่พระภิกษุสามเณรสาธุชนทั่วไปอุบาสกอุบาสิกาปีละปีหนึ่งก็ประมาณหลายพันคนรวมทั้งให้การศึกษาอบรมแก่หน่วยงานราชการและเอกชนสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่ง เวียนเข้ามาขอรับการอบรมเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเฉลี่ยเดือนละสองรุ่นรุ่นหนึ่งก็ประมาณ300ถึง500ท่านด้วยกันนี่คือสถาบันที่ทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ธรรมะแก่สาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติเพื่อจะนำพัฒน า, านำเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือศีลสมาธิและปัญญานี้ไปพัฒนาควบคู่กันไปกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของแต่ละหน่วยงานอีกด้วยซึ่งก็นับว่าหลวงพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จท่านเป็นประธานสถาบันการศึกษา พระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งที่ให้ธรรมะแก่สาธุชนส่วนเนื้อใหญ่ในการให้ธรรมะนั้นก็จะเน้นไปที่หลักปริยัติควบคู่ ก, กันไปกับหลักปฏิบัติคือเรียนรู้ในส่วนของคำภีในทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้อย่างไรแล้วก็มุ่งลงมือปฏิบัติ ตามหลักธรรมที่ได้เรียนรู้แล้วนั้นเป็นปฏิบัติสัทธรรมแล้วผลคือปฏิเวทสัทธรรมก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติมากน้อยตามส่วนตามบุญบา ร, รมีของแต่ละท่านที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนปรากฏในปัจจุบันเป็นมักเป็นผลตามส่วนแห่งบุญบา ร, รมีอันนี้ก็จเจริญพรให้ท่านผู้ติดตามรับฟังรายการได้รับทราบถึงกิจกรรม ของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่ทําหน้าที่ให้ธรรมะในส่วนนี้อัตามาได้มีโอกาสนําเสนอสารธรรมโอวาทธรรมคำําสอนขององค์ประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสู่ท่านสาธุชนวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก่อนจากกันในวันนี้ทางรายการก็ขอเชิญสาธุชนทุกท่านทําจิตให้สงบ จะฝึกสมาธิตามแบบตามแนวไหนก็แล้วแต่ที่สามารถทำจิตใจของเราให้สงบระงับจากกิเลสนิวรณเครื่องกลั้นปัญญาได้ทำจิตใจของเราให้ผ่องใสนั่นแหละก็คืออยู่ในหลักทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งกัลยาณกิจให้เป็นบุญเป็นกุศลสํารวมจิตให้สะอาดสว่างและสงบ ด้วยพระธรรมคำสั่งสอนตามโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสมควรแก่เวลาอย่างน้อยวันหนึ่งวันละนิดวันละหน่อยตามเวลาที่เหมาะสมเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตั้งจิตให้เป็นปรมวิหารธรรมแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมทุก เกิดแก่เก็บตายขอจงอย่าเป็นเวรเป็นภัยซึ่งกันและกันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีความสุขความสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันนี้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ดังนี้อยู่เป็นประจำเนืองเนืองจิตใจของเราก็จะได้แช่มชื่นเบิกบานด้วยบุญกุศลและไหว้พระสวดมนต์ตามส่วนตามเวลาที่เหมาะสม สำหรับวันนี้รายการธรรมะส่สันติก็หมดเวลาลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจไฝ่ธรรมโปรดติดตามธรรมะจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทินเจริญพร